ครับผู้กองคุณหญิงสวัสดีครับสวัสดีจ้ะคุณหญิงทานอะไรมาหรือยังครับเอ่อให้ผมไปสั่งอาหารไหมทานในห้องนี้เลยดีไหมครับไม่ต้องหรอกจ้ะนี่มันห้องทํางานของผู้กองจะให้ฉันมานั่งทานอาหารได้ยังไงล่ะได้สิครับไม่เป็นไรหรอกครับขอบใจมากที่เป็นห่วงเรื่องปากท้องของฉันฉันอิ่มมาแล้วล่ะอ๋อครับเชิญคุณหญิงตามสบายนะครับจ้ะ ยิงเอ้ยครับสวัสดีคุณหญิงท่านสัสิท่านเป็นเจ้านายของฉันนะกราบสวัสดีคุณหญิงครับอืมวัสดีจ้ะลูกใครเนะี่ะถ้าทางซื่อดีนะเนี่ยลูกผู้กองเหรอเปล่าครับลานหรือไงก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละครับอ้าวถ้างั้นใครกันละ่ะเด็กเก็บตกนะครับเด็กเก็บตกมายความว่าอย่างไงอคืออย่างนี้ครับ ผมส่งกำลังไปสกัดจับผู้ต้องสงสัยค้าอาวุธสงครามแล้วอเผอิญว่าเด็กคนนี้อยู่ในรถด้วยและผู้ต้องสงสัยก็เพิ่งจะซื้อมาจากต่างจังหวัดนะครับเพื่อมาใช้งานแล้วเด็กเนี่ยก็เพิ่งจะทำงานในวันนั้นเองครับอ้าวแบบนี้ก็สวยไปสิยังครับเด็กแกไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆแกซื่อดีด้วยมารยาทดีพูดจาเพราะแล้วก็เพิ่งจะจบการศึกษาปา .6 มาบัดมา เตรียมจะเข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพแต่เผอิญว่าแกโชคร้ายนะครับที่โดนผู้พี่ๆซึ่งเป็นลูกคนละแม่แกล้งแล้วจับไปขายให้กับคนรู้จักซึ่งคนรู้จักนั้นก็เป็นผู้ต้องสงสัยของตํารวจด้วยนะครับผมก็เลยรู้สึกสงสารเด็กมันก็เลยรับมาดูแลซะเองครับอืมเออหนูชื่ออะไรจ๊ะผมชื่อยิ่งศักดิ์ครับเด็กชายยิ่งศักดิ์เหรอจ๊ะครับเออ หนูอยากกลับบ้านไปหาพ่อแม่หรือเปล่าล่ะถ้าอยากกลับไปนะ่ะเดี๋ยวให้ผู้กองส่งไปถึงบ้านก็ได้นะจ๊ะไม่ครับอ้าวทำไมล่ะไม่คิดถึงพ่อกับแม่หรือไงคิดถึงครับคิดถึงมากด้วยครับคิดถึงมากแต่ไม่อยากกลับไปมันทำไมล่ะคือคือว่าผมผมอะไรล่ะจ๊ะตอบฉันมาสิจ๊ะคือคือว่าผม ผ, ผู้กองเด็กมีปัญหาทางบ้านมาหรือเปล่าถามแค่นี้ทำไมถึงอ้ำอ้อึ้งอไม่กล้าตอบซะอย่างนั้นล่ะคืออย่างนี้ครับคุณผู้หญิงเด็กชายยิ่งศักแกอยากจะกลับไปหาพ่อแม่จจจะขาดอยู่แล้วแล้วครับแต่ที่บอกคุณหญิงว่าไม่กลับก็เพราะว่าถ้าแกกลับไปก็จะต้องได้รับอันตรายแล้วทีนี้อันตรายที่แกได้รับอาจจะหนักกว่าครั้งนี้นะครับเผลอๆแกอาจจะต้องตาย เผู้พี่พี่คนละแม่ของแกขู่เอาไว้นั่นเองครับนี่ผู้พี่ๆี่เขาขู่ว่ายังไงล่ะขู่ว่าถ้ากลับไปให้เห็นหน้าอีกแล้วแล้วก็จะกล้าให้ตายไปเลยครับตายจริงทำไมใจร้ายอย่างนี้ผู้พี่ๆี่แกคงไม่พอใจที่แม่ของเด็กชายยิ่งศักด์ไปได้เสียกับพ่อของแกก็ได้ครับอะไรกันมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กๆมีสิทธิ์อะไรเข้าไปจัดการอย่างนี้ก็ถึงว่าสิครับ อืมเออหนูจ๊ะครับคุณหญิงแล้วแม่ของพวกพี่ๆของหนูนะ่ะเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าจ๊ะรือว่าพ่อของหนูนะ่ะยังอยู่กับเมียสองคนแม่ของพวกเขาตายไปนานแล้วครับตายก่อนที่แม่ผมจะแต่งงานกับพ่อครับอา้าวแบบนี้จะมาโกรธแค้นแม่ของหนูได้ยังไงล่ะก็เมียเก่าของพ่อหนูตายไปก่อนแล้วนี่นาะ พ่อหนูก็มีสิทธิ์แต่งงานใหม่สิเออถ้ายังมีเมียหลวงคาอยู่ในบ้านแล้วไปเอาเมียน้อยเข้าไปในบ้านอีกคนแบบนี้ค่อยว่าได้หน่อยอะไรกันนะพวกพี่ๆของหนูนี่ทำตัวอันธพาลแล้วละ่ะใจคอจะให้พ่อตัวเองเช้าตายไปในที่สุดด้วยไงก็ไม่รู้สินะก็ถึงว่าสิครับคุณหญิงตกลงหนูไม่อยากกลับไปตอนนี้ว่างั้นเถอะนะครับ แล้วเรื่องเรียนนะจ๊ะก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับคุณหญิงที่แรกก็กล่าวว่าจะให้เรียนที่นี่ล่ะครับแถวนี้มีโรงเรียนของรัฐอยู่แต่เด็กชายยิ่งศักดิ์เรียนจบปหที่โรงเรียนคลิฟตจักรนะครับอ้าวแบบนี้ภาษาอังกฤษก็ต้องดีสิจ๊ะก็พูดได้ครับอยู่แค่ปหกนะเหรอพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเก่งนี่นาทางโรงเรียนเขาเคร่งครัดเรื่องภาษา เขามีนโยบายจะส่งลูกศิษย์ลูกหาไปเรียน ต, ต่อต่างประเทศนะครับคุณหญิงอ๋อฉันพอจะเข้าใจแล้วละ่ะแล้วหนูละจ๊ะครับคุณหญิงอยากเรียนต่อโรงเรียนที่เป็นของคริสอยู่อีกหรือเปล่าจ๊ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะเรียนครับคุณหญิงทุกวันเนี้ผมก็ภาวนาให้พระเจ้าทรงช่วยเหลืออยู่ครับอืมสื่อดีพูดจาสื่อแบบนี้ฉันชอบ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 ท้องฟ้าดูฉันสดใสและสวยงามแต่สิ่งที่ฉันเห็นจาเธอในวันนี้เธอบอกกับฉันฉันคนที่ไร้ความหมายจากหนึ่งเองก็เข้าใจ ไครทำใจเธอไม่เหมือนไดิเธอพูดให้ฉันเชื่อว่ารักฉันหมดหัวใจเธอบอกว่าเธอ นหมดแสงไฟมองไม่เห็นทางแม้สิ้นห้่นทาหมดหวังหมดกำลังใจอย่าพึ่งยอมพ่ายแพ้ก้าวเดินต่อไปอีกไม่นานตะวันจะขึ้นมาสาดแสงสองทางให้เห็น Even if it's just f กลัวหากว่าลืมตาจะตื่นขึ้นมาแล้วพบกับแสงที่กำลังหมดดับดวงตาวันที่ลาลับวังที่จางหายไป เช่นว่าไรก็หากกลัวไม่ยอมจะลืมตา จะเห็นถ้าเพียงแค่ลืม จะตื่นขึ้นมาแล้วพบกันแสงที่กำลังหมดดำดวงตะวันที่ลาลับวังที่จางหายไปไม่มีวันจะลวงรู้เลยว่าความเป็นจริงเป็นเช่นไร I'm n e t afraid. I won't give ที่ไหลผ่านไม่ต้องบอกฉันว่าเคยมีใครคนไม่ยังไงถ้าเพื่อฉันพลาดบังงานฉันถามเธอไปเธอก็ไม่ต้องตอบฉันเลยและฉันคนนี้ก็มีที่พลาด ใ่ว่าชีวิตจะดีจังานสักเท่าไรไม่อยากให้ถามมันไม่น่ารู้เท่าไรไม่ใช่เลยจำเป็นของเราวันวานยังคืนย้อนมาไม่ได้และวันพรุ่งนี้ยังไม่รู้ แต่ฉันพร้อมจะอยู่ฉันพร้อมจะตายเพื่อรักคำเดียวไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใครจะพาอะไรมาขอจงอยาเป็นกันวงวลในคือคนคงเธอไม่ว่ามันจะเกิดเะไร ติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัยนำเสนอโดย Nation Entertainment มือนกันนะ น, นี่อ้าวคุณยิงอยู่นี่หรอกเหรอค่ะท่านยิ่งสวัสดีท่านนายพลซ ส, สิสวัสดีครับท่านอืมว่ายพระเถอะลูกเต้าเหล่าใครล่ะนี่ยเก็บตกมาได้นะท่านเก็บข้างถนนเรือ่องไหนเก็บทําไมล่ะจะไปล้างรถทําสวนเรือ่องไหนฮึแม่ท่านก็พูดไปเรื่อยเชียวอ้าวก็เลยจะพูดจังไงล่ะ เด็กชายยิ่งสากนะเป็นเด็กที่ผู้กองรับไว้อุปการะชั่วคราวนะคะท่าน<โ>อถ้าทางแกซื่อดีพูดจาก็เพราะด้วยมารยาทงามอีกต่างหากดิฉันอยากจะรับแกไปอุปการะนะคะท่านจะว่ายังไงคะผมนะ่ะไม่มีปัญหาหรอกรับคนเพิ่มอีกหนึ่งคนไม่ทำให้ผมยากจนหรอกที่สำคัญทำบุญกับเด็กนี้จะเจริญรุ่งเรืองกันเลยเ ยิ่งในเด็กคนนั้นกระตันยูรู้คุณคนขยันเรียนหนังสือซื่อสัตย์เราก็มีแต่จะเจริญรุ่งเรืองแต่ที่สำคัญก็คือว่าเด็กแกยอมจะไปอยู่กับคุณหญิงหรือเปล่าล่ะแช่บังคับกูเข็นไปอยู่นะ่ะไม่เอานะ้มันบาปเดี๋ยวดิฉันจะลองถามความสมัครใจของเด็กดูก่อนนะคะท่านหนูจ๊ะครับคุณหญิงอยากไปอยู่กับฉันแล้วก็ท่านหรือเปล่าจ๊ะ ฉันน่ะเห็นหนูตอนแรกก็ชอบแล้วละ่ะหนูเหมือนตาเล็กของฉันละเกินเห็นหนูแล้วก็อดคิดถึงตาเล็กที่จากฉันไปไม่ได้สักทีหนึง่งฉันอยากจะให้หนูไปอยู่ในฐานะลูกของฉันเป็นตัวแทนตัวตายของตาเล็กนะ่ะหนูจะอยากไปอยู่กับฉันแล้วก็ท่านหรือเปล่าจ๊ะอยากครับโอ้ดีจ้ะงั้นฉันจะเอาหนูไปอยู่ด้วยเลยนะผู้กองว่าไงจ๊ะ มีงไงก็ได้ครับดีซะอีกอยู่กับผมก็เลี้ยงไปตามอัตภาพนะครับแต่ถ้าไปอยู่รับใช้คุณหญิงกับท่านอนาคตของเด็กก็จะต้องรุ่งเรืองแน่นอนครับยิ่งครับยังไม่รีบกราบลงตักคุณหญิงอีกเพื่อขอบคุณในความกรุณาอีกเหรอผมกราบขอบพระคุณคุณหญิงมากครับจ้าจ้าจ้าฉันดีใจจังเลยขอบใจนะที่ตัดสินใจไปอยู่กับฉัน ไปกราบขอบคุณท่านและฝากเนื้อฝากตัวกับท่านด้วยเร็วซสียิ่งครับท่านครับผมกราบขอบพระคุณท่านที่ท่านเมตตาผมผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยขอให้ท่านอบรมสั่งสอนผมเหมือนผมเป็นลูกของท่านคนหนึ่งด้วยนะครับกราบขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับรู้จักพูดเนี่ยฮะ อ, อ่อนน้อมถ่อมตนดีนี่นาะเป็นอย่างนี้ให้ตลอดไปนะ อยาทำตัวกระด้างกระเดืองล่ะเข้าใจไหมครับท่านถ้างั้นวันนี้ฉันเอาเด็กชายยิ่งศักดิ์ไปอยู่ด้วยเลยนะผู้กองด้วยความยินดีครับและขอบพระคุณคุณหญิงนะครับที่เมตตาเด็กนะครับจ้าอนุจ๊ะครับคุณหญิงนี่มานั่งกับฉันที่สิลูกครับคุณหญิงเชื่อฟังฉันนะจ๊ะครับแล้วก็เป็นเด็กดีด้วยครับฉันสัญญาจ้ะ ฉันจะส่งเสียหนูเรียนสูงสูงให้ได้ดีบได้ดีและเมื่อมีงานทำดีดีแล้วถึงตอนนั้นหนูจะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ก็ได้แล้วไม่ต้องกลัวจะโดนพวกพี่ๆขู่ฆ่าอีกแล้วนะครับคุณหญิงขอบพระคุณคุณหญิงมากเลยครับจ้าอ๋อหนูต้องขอบคุณพระเจ้าด้วยสิที่ดลบรรดาให้เราได้เจอกันแล้วก็ได้เกื้อนหนุนกันยังไงละจะหนูครับ ขอบคุณพระเจ้าที่ส่งบันดาลให้ผมได้พบผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาแล้วก็ให้ชีวิตใหม่กับผมด้วยครับขอบคุณพระเจ้าครับอาเมนดีมากจ้ะน่ารักจริงๆเลยหนูเนี่ย ไยิงเจอหรือเปล่าฮะไม่เจอสิไม่รู้มันหายไปไหนของมันพี่ไม่นึกมั่งหรือไงว่ะไอ้ยิ่งมันอาจจะโดนสัตว์ป่าน่ะลากเขาไปกินในป่าแล้วก็ได้นะเองก็คิดเหมือนลูกค่างั้นนะเนี่ยมันก่อน่าคิดอยู่นะพี่นะ <c oughs> ใครจะเชื่ออย่างนั้นก็เชื่อไปเถ ะ, ะนะข้าคนนึงละที่ไม่เชื่อแต่ตำรวจก็ไม่ให้คําตอบพี่ไม่ใช่หรอกก็ทําน้องนั้นหรอเวตำรวจมันว่ายอย่างไงบ้างล่ะพี่ พวกเขาบอกว่าไอ้ยิ่งมันอาจจะถูกเสือตะครุบลากเข้าไปกินในป่าแล้วก็เหมือนเอ็งพูดนั่นแหละพี่ยอดไม่คิดอย่างนั้นเลยหรือไงไ ม, ะ ม, ะ ม, ะมะ่ไม่ไม่ไมไม่้าไม่เชื่อเด็ดขาดแล้วพี่ยอดเชื่อว่าอย่างไงข้ามั่นใจน้อวยว่าไอ้ยิ่งมันยังไม่ตายพี่ยอดเอาอะไรมาอ้างแล้วก็มั่นใจอย่างนั้นหลหรฮะข้ารู้สึกได้ข้าสังหรณ์ใจได้นะไอ้ยิ่งลูกคายังไม่ตายมันต้องไม่ตาย เพราะมันเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังคุณครูเป็นนักเรียนเรียนดีของโรงเรียนพระเจ้าจะต้องมองเห็นความดีของมันแล้วทรงช่วยเหลือมันอย่างแน่นอนพี่ยอดเชื่อเรื่องพระเจ้ามากมายขนาดนั้นเชีเยวเหรอมันเกิดจากความศรัทธาคนเราจะมุ่งมั่นทำอะไรสักอย่างด้วยความตั้งใจและจริงใจแล้วล่ะก็จะต้องมาจากศรัทธาซะก่อนการนับถือคลิปศาสนาก็เหมือนกันจะต้องเกิดจากความศรัทธาในใจซะ ก, ก่อน เองไม่เช <game, Tr> ื <Se os> ่อเองก็ลองดูสิแล้วชีวิตเองจะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆนะยังเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวอริงๆคอยดูสิสักวันหนึ่งนะไอ้ยิ่งมันจะต้องกลับมาบ้านเออแล้วพี่ทองสบายหรอม่ข้าทําไมพี่ทองสบายเชื่ออย่างพี่ยอดหรือเปล่าเอ๊ะพี่ถอนหายใจทําไมอ่ะหรือว่าพี่ทองสบายน่ะไม่ได้ศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างพี่ยอดอย่างนั้นหรือไง มันไม่ใช่อย่า ง, งานั้นแล้วมันยังไงล่ะพี่เมียข้าก็มีความศรัทธาเหมือนกับข้านั่นแหละแต่ด้วยความที่เป็นห่วงไอ้ยิงมากเหลือเกินแล้วก็มัวแต่คิดไปต่างๆนานๆแล้วก็ไม่มีคำตอบจิตใจของเขาก็เลยสับสนทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะเชื่อ ย, อยังไงดีก็เลยเป็นอย่างที่เอ็งเห็นนั่นแหละถ้าทางนี่เขาซึมเศร้าไปเลยนะพี่นะงานแหละตอนนี้นะห่วงไอ้ยิงก็ห่วง หวงเมียก็หวงอีกเนะี่ยปวดหัวไปหมดเลยว่ะเอ้าน่าพี่ข้าจะเป็นกําลังใจให้บียอดเองขอบใจเองมาเว้ยสินเองเป็นน้องชายที่ไม่เคยทิ้งพี่น้องเลยนะเว้ยเราก็มีกันแค่สองคนพี่น้องจะทิ้งกันได้ยังไงเราพี่อืมเออนี่เดี๋ยวอยู่กินข้าวดีกันก่อนนะอืมก็ดีเหมือนกันวันเนี้ขี้เกียจหุงข้าวเป็นห่วงไอ้ยิ่งมันเลอะเกินนะข้าเองก็ออกตามหามันเหมือนกันนะเนี่ยเอานะ่าไอ้ยิ่งมันไม่ตายง่ายๆหรอก คนดีนะ่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกไอศิเนเอ้ยเชื่อขาดเหรอคุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากละครที่จบไฟนี้โปรดเขียนข้อคิดของท่าน